แต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกทำได้พระพุทธเจ้าเลือกพระพุทธเจ้าสอนให้เลือกเนี่ยนะทานที่เลือกให้เนี่ยนะพระสุคตสันเนสริญสนเสริญ ท, ทานที่เลือกให้เนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้ า, ถาอยากให้อะนะให้กับใครก็ได้อะนะเขามาหลอกก็ดีกว่าเนี่ยเก็บให้ผุไปนะให้ข้าวโจรกินแล้วไปปล้นก็ดีกว่าเก็บให้มันบูดเปล่าๆในหม้อเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นได้ก็ก็ทำใจได้ก็ดีไปแต่ถ้าหากว่า ทำใจไม่ได้ก็ต้องศึกษาจะต้องศึกษาอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็ผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะรู้ได้เรื่องผู้มักน้อยเรื่องผู้สันโดษเรื่องผู้ที่ไม่คลุกคลีก็เหมือนกันนะก็ต้องอศึกษาพฤติกรรมนานๆนะแล้วก็ผู้ที่มีปัญญามีความเข้ารู้มีความเข้าใจในเรื่องศีลเป็นต้นนะจึงจะเข้าใจ ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องศีลเป็นต้นไม่รู้รอกเนี่ยนะถูกเขากินรวบไปหมดแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะหมดตัวแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกเนี่ยแหละเพราะคนเนี่ยไม่ค่อยคิดว่าตัวเองโง่นะคิดว่าตัวเองฉลาดซะโดยมากแต่เนี่ยคนฉลาดนั่นแหละถูกหลอกมาเยอะต่อเยอะแล้วเนี่ยนะเรื่องความหลอกลวงด้วยอิรยาบทเนี่ยนะอันนั้นหลอกลวงด้วยปฏิเสธปัจจัยเนี่ยนะลอกลอกหลอกลวงด้วยใช้ปัจจัยอันี้ก็มาดูหลอกลวงด้ว ย, ย, ย, ยอิรยาบด์ยังไะ คือการหลอกลวงทั้งด้วยอิยิบบทหรือด้วยเสพปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะพวกเนี้ยใช้เรื่องสีหน้านะตีสีหน้าเป็นนะมีโยมคนหนึ่งก็บอกว่าพวกที่หลอกลวงพวกเนี้ยเก่งยิ่งกว่าดาราอีกฝว่างนั้นนะเรื่องสีหน้าท่าทางเรื่องการวางท่าเรื่องแก๊กเนี่ยโอ้เก่งมากกว่างั้นนะยิ่งกว่าดาราในหนังอีกฝว่างนั้นเพราะดาราในหนันงมันเข้าฉากเป็นครั้งเป็นตางเป็นตอนเป็นอะไรนะพวกนี้เนี่ยโอ้โหวางได้สม่ําเสมอมากกว่า ส่วนเรื่องความหลอกลวงกล่าวด้วยอิริยาบถเนี่ยเป็นไงนะบอกภิกูุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาลามก อ, าอันความปรารถนาครอบงำมีความประสง์ในการยกย่องต้องการให้คนอื่นเขายกย่องให้คนอื่นเขานับถือชมเชยเนี่ยก็เลยคิดว่าประชุมชนจักรู้จักยกย่องเราด้วยอุบายนี้สร้างวิธีให้คนยกย่องอะนะโปรโมตตัวเองเนี่ยนะคิดวางแผนวิธีให้คนชมเรา ทำไงก็ต้องสำรวมเดินกันหน่อยละน่นะสำรวมนั่งสำรวมการนอนตั้งสติเดินตั้งสติยืนตั้งสตินอนทำเหมือนภิกษุมีสมาธิจริงๆกับฟุ้งซ่านแทบตายแล้วข้างในเนี่ยนะแต่ว่าทำตัวเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนนี่เอาไหมจ ง, งตสอนให้จะซื้อของที่มันเหมือนนะซื้อซื้ อ, ซ, อซื้อมาซื้ออะไรมาเหมือนทองเลยเอาไหมไม่เอานะ โอ้โหไปเสื้ออะไรมาเหมือนเพชรเลยอราคาแพงมากอ่ะนะเหมือนไม่ใช่อ่ะนะเสื้ออะไรมาเหมือนข้าวเลยเนี่ยนะยุ่งเลยนะสมว่าไปซื้อข้าวดานะไปซื้อข้าวดําอะไรมาเหมือนข้าวเลยงั้นนะอะไรใส่ขี้หนูขี้หนูหรือมั้งบอกว่าไปซื้ออะไรมาเหมือนเหมือนข้าวข้าวข้าวอะไรนะข้าวดําเลยไม่ใช่ข้าวแล้วมันขี้หนูแล้วถ้าเหมือนอ่ะงั้นนะมันก็นี่ก็เหมือนกันจริงๆกับฟุ้งซ่านทําตัวเหมือนมีสมาธิ ทำเหมือนพิสษุมีสมาธินั่งเอาทำเหมือนพิสูจมีสมาธินอนทำเหมือนพิสูจที่เจริญอาปาทกะชานอาปาทกะชานก็คือเจริญฌานต่อหน้ามนุษย์น่ะเหมือนจะเข้าเข้าฌานต่อหน้าคนโดยเก่งปานั้นนะป่ากว้างขวางเป็นหมื่นไร่แสนไร่ไม่ไปเข้าฌานน่ะนะจะเข้าฌานแต่ต่อหน้าคนน่ะแต่ยิ่งคนมีสตังหน่อยก็จะเข้าฌานแถวนั้นน่ะนะก็จะได้สตังเยอะเนี่ยนะเข้าทีก็ได้หลายตังอย่างเงี้ยนะ มันก็พวกที่ทําบุญก็นึกว่าหฮงนี่แหละโหสุดยอดนาบุญแล้วนี่ยนะไปหาที่ไหนได้ขนาดนี้ก็กระทุ่มเทซื้อบุญกันยกใหญ่เลยนะเหมือนกระทุ่มเทซื้อหุ้นเนี่ยนะหมดไปเยอะไหยนั่นแหละเหมือนซื้อหุ้นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะเหมือนใช่เลยนะจัากำไราบานเลยนะกลับมาทีอ้าวหมดตัวแล้วไหนไหนหมดก็ให้มันหมดกระช่างมันไปเนี่ยนะใจใหญ่ด้วยนะไม่ธรรมดาเลยนะช่างมันนะทำเป็นปล่อยวางที่ไหนได้ก็เสียใจยอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ไปเรียกเอาคืนจากที่ไหนอ่ะนะ ในการตั้งใจการตั้งการดำรงอิริยาบทความทำหน้ายิว้วความเป็นผู้มีหน้ายิว้วความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นป่านี้เรียกว่าความหลอกลวงว่าด้วยอิริยาบทเนี่ยนะซึ่งเรียกว่าคนนอกไม่มีสิทธิ์รู้อยู่แล้วเนี่ยนะแฟชั่นโชว์น่ยลักษณะเนี่ยแฟชั่นโชว์ทางพระเนี่ยนะหลอกลวงเนี่ยโอ้หมดไปเยอะเนี่ยนะ ส่วนความหลอกลวงว่าด้วยการพูดเรียบเคียงนะนะเจ้านี้มาเหนือเมฆีกเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าแรกเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เจ้าที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องอิรยาบทเจ้าที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องเรียบเคียงนะนะคารมคมคายนั่นเองนะมีคารมนะมีวิธีการต่อรองนะฉลาดจิ่งนะนักซื้อนักค้าชาวโลกยังไงก็บอกว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาลามมกอันความปรารถนาเนี่ยครอบงํา มีความประสงค์ในในการยกย่องต้องการจะให้เขายกย่องนะนีคือถ้าเขายกย่องแล้วอะไรจะตามมาก็ตามด้วยลาบสการะสั่นเสริญชื่อเสียงยศตําแหน่งเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นเอทําำยังไงจะให้เขายกย่องเะนั้นพวกนี้ก็มีแผนนั่นะนะมีแผนก็ขึ้นว่าประชุมชนจกยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมนั่นะนะอิงอริยธรรมก็คือพูดบวชตัวเนี่ย ไม่บอกตรงๆว่าเป็นอริยะเพราะพวกนี้อาจจะพอรู้วินัยอยู่ว่างอ่ะนะบอกตรงๆไม่ได้ก็ต้องพูดเรียก เ, เรียกเทียบเทียบเคียงเคียงว่าชั้นเนี่ยอริยะนะก็คือพูดว่าสมณะใดทรงจีวรอย่างนี้สมณะนั้นมีศักมากนไก็อาเนี่ยมีคุณธรรมสูงนะใครที่ใช้จีวรแบบเนี้ยอจริงไอ้จีวรแบบนั้นก็ตัวนั่นแหละใช้อะคนอื่นก็ไม่ได้ใช้หรอกตัวเองนั่นแหละใช้่ สมณะใดทรงบาดอย่างนี้สมณะนั้นน่ะมีศักดิ์มากทรงโภชนะธรรมกรกใช้ผ้าสําหรับกรองน้ําลูกกุญแจสวมรองเท้าใช้ประคดเอวใช้สายโยกบาทสมณะนั้นมีศักดิ์มากนะนะก็เนี่ยใครที่ใช้ผ้าแบบนี้นะ่ะหืมคุณธรรมนี่ไม่ธรรมดานะนะซึ่งไอพูดไปพูดมาก็หมายถึงตัวเองนั่นแหละไม่ไดไ้หมายถึงคนอื่นที่ไหนหรอกอนะนะ หรือพูดว่าสมณะใดมีอุปชาอย่างนี้มีอาจารย์มีผู้ร่วมอุปชามีผู้ร่วมอาจารย์มีมิตรอย่างนี้มีคบมีพวกที่คบกันอย่างนี้มีสหายอย่างนี้สมณะนั้นมีศักดิ์มากนะโอ้ใครมีเพื่อนแบบนี้นะสมมตินะถ้าพูดอย่างเราอยู่กันอย่างไงนะโอ้ใครใครที่เป็นเพื่อนคุณบุญชูนคนนั้นไม่ธรรมดานะยางไงโอ้ยมีคุณธรรมสูงมากยางไงนะนะก็ลักษณะนี้นะก็คือไปอวดนะนะพูดตรงกันข้ามนะ ดีนะพวกเธอเนี่ยได้มาครบคนมีบุญแล้วอย่างเงี้ยนะ ก, ก็คําพูดลักษณะเนี่ยนะสมณะใดอยู่ในวิหารเช่นนี้สมณะนั้นมีศักมากนะเอาที่อยู่มาอ้างนะที่อยู่แบบเนี้ที่อยู่ของคนบําเพ็ญเพียร น, นะที่อยู่คนแบบนี้นักปฏิบัติจริงๆนะเขาบอกว่านะนะนะสมณะใดอยู่ในหลังคาแถบเดียวอยู่ในปราศาสตรในหลังคาโลนในถ้าในที่หลีกเล่น หรือว่าอยู่ในกุฏิในเรือนยอดในป้อมในโรงกลมน่ยนะในเรือนที่พักศาลาที่ประชมุมอยู่ในมณฑปที่โคนไม้อโดยที่สุดโคนไม้นะใครไปอยู่โคนสนนะไม่ธรรมดานะว่างั้นเนี่ยนะนะอ่าก็พาะไอ้การพูดเราหมายถึงเรานั่นแหละใช่ไหมอู้ใครหลีกเล่นนะสนมัยของพวกเรามาอยู่ไใครมันลีกเล่นใครอยู่ป่าได้นี่ไม่ธรรมดานะ ในหมายคนอื่นนะคนอื่นเขาไม่ได้มาอยู่กับเราใช่ไหมเรานี่แหละหม่ธรรมดานะพูดทําไมอ่ะนะก็จะต้องไรและต้องการเขาให้เขายกย่องให้เขาชมนั่นแหละก็บอกว่าภิสูจเนี่ยอีกอย่างหนึ่งพิสูจนเป็นผู้มีหน้าบูดเบี้ยวทําหน้าเบี้ยวนะต้องคลุ้มอย่างนั้นค่ะแบบเบี้ยวหน้าคลุ้มทําหน้าย่นยุยยีหลอกลวงปลื้นปล้อนตลบตะแลงอันผู้อื่นสรรเสริญด้วยความที่ตนวางหน้า อ่าใช้วิธีวางหน้านะว่าสมมาณะนี้มีวิหารสมาบัติเนี่ยนะคือคือวางหน้าพูดว่าสมมาณะนี้มีวิหารสมาบัติมีเครื่องอยู่นะนะ่นปฐมฌานเป็นต้นก็ว่าไปอันมีอยู่เห็นปานนี้ภิกษุนั้นย่อมกล่าวถ้อยคําเห็นปา น, นี้อันปฏิสังยุตต์ด้วยโลกุตระธรรมและปฏิสังยุต ด, ด้วยนิพานเหมือนก็นว่าจะนั่งเข้าแต่พระสมาบัติอย่างเดียวนะจะเข้าแต่ฌานจะเข้าแต่สมาบัติเนี่ยจะเข้าแต่มรรคผลนิพาน ครั้งก็ก็มีนะไปนอนในโรงแล้วก็ชักชวนให้คนมาทําบุญเนี่ยนะชวนคนมาทําบุญคนนี่แห่ไปเต้นไปหมดก็ถือว่าจะทําบุญกับคนที่เพิ่งออกจากสมาบัติแล้วจะได้บุญมากก็ได้อันนี้สงมากเนี่ยนะมันก็หลอกลวงกันไปนะคนนี่หมดเยอะนะหมดเป็นล้านอ่ะไม่ใช่ล้านเดียวด้วยเป็นสิบสิบล้านเนี่ยนะหมดไปเยอะเนี่ยนะมันเพราะอะไรเพราะจะทําบุญกับพระอริยนะ ตัวเองไม่ได้ศึกษาคําสอนให้ดีจะไปรู้จักอริยะได้ยังไงอริยศัตด์ไม่รู้สักคำหนึ่งต้องการแตบบ่พระอริยะไม่สนใจด้วยว่าอริยศัตด์มันเป็นยังไงนะแต่ต้องการเห็นแตบบ่พระอริยะทีนี้มันก็อริยะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเวลาเป็นอริยะแล้วตัวเลขแบงๆไม่ได้ขึ้นที่ศีรษะที่หน้าผากใช่ไหมฉันอริยะแล้วนะมันออกมาจากข้างในไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวเสยแซงเอาป้ายมาติดกันเอานึ่งนะยิ่งสมัยนี้ด้วยรุ่นแค่ว่ารุ่นสิทธิเศกเนี่ยนะนะ จริงอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรหรอกสิทธเสกเอาเสกเอ า, เ, อาเนี่ยนะเป่าเพี้ยงเนี่ยว่าอาจารย์เป็นอริยะเลยนะก็รุ่นสิท์เสกนะยุคนี้มีมากนะเพราะว่าสิทธทั้งหลายมีผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์ก็รับสมอ้างแล้วแหละนึกว่ามีจริงที่ไหนได้นะก็จริงอ่ะนะถูกเขายกมากมากนานๆเข้าก็นึกว่าตัวเองเป็นจริงๆอ่นะเหมือนพระพานิยะทารุจิรยะใช่ไหมอดีตของท่านเนี่ยโอ้ยไม่นุ่งผ้าเนะี่ยเอาแต่ไม้มาพันอนะองค์ชาติไว้หน่อยหนึ่ง เนี่ยนะคนก็ชมโอ้นี่อริยะเขาชมนานๆเข้าเเราจะเป็นจริงมั้งนะแสดงว่าเราก็หนึ่งในอริยะเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันมันทําอะไรเนี่ก็โหใช้ถ้อยคําก็เกี่ยวกับโลกุตระธรรมทั้งนั้นพูดแต่คําลึกซึ้งอนะแอ่จริงๆอะซึ้งจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าพูดให้คือพูดเหมือนกับว่าบอกเป็นในๆว่าชั้นนี่ไม่ธรรมดานะนนะคําที่ที่ฉันพูดออกไปนี่ไม่ธรรมดามันก็ เรียกว่ากล่าวถ้อยคําเช่นนั้นอันปฏิสังยุต ด, ด้วยโลกุตระธรรมและนิพานอันลึกลับสุ ข, ขุมละเอียดปิดบังเสแล้วก็ที่สําคัญมากนะอยู่ที่การทําหน้าซิวตีสีหน้าเป็นอ่ะนะต้องตีหน้าเป็นอนะ่ะถ้าตีหน้าไม่เป็นนี่ไม่ได้นะต้องวางหน้าให้เป็นเท่านั้นนะนั้นความเป็นผู้หน้าซิวความหลอกลวงกริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นตามนี้นี่เรียกว่าความหลอกลวงด้วยการพูดเรียบเคียงเนี่ยนะคนระับใช้ถ้อยคําเนี่ยนะ เพานั้นพวกนี้ก็จะคนยกย่องนับหน้าถือตาเพราะฉะนั้นก็พวกปุตตชนทั้งหลายก็ถูกหลอกไปอีกแล้วเนี่ยนะหมดไปยืดเนี่ยนะทำมาหากินเก็บมาเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยได้กินเท่าไรหรอกลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ใช้พ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยเนี่ยเอามาประเคนมายกให้กับพวกหลอกลวงทั้งหลายเราเนี่ยนะถูกมาหาโจรเนี่ยปล้นเอาไปหมดเอี่างนี้มันต่างธรรมะเนี่ยถือว่าพวกที่ทําตัวแบบเนี้เป็นมาหาโจรปล้น เป็นมหาปโปลยิ่งกว่ามหาโจรเี่นะเป็นนักปล้นยิ่งกว่านักปล้นอกีกกปล้นแล้วคนอื่นเขาไม่รู้ตัวนะเขายกทูนหัวให้เลยนะเอาไปประเคนให้เลยอะ่ะนั่นก็เป็นมหาโจรยิ่งกว่ามหาโจรจะบาปขนาดไหนนะทีนี้ต่อไปว่าความหลอกลวงสามอย่างนี้อันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นนะเรียกว่าผู้ไม่หลอกลวง ท่า น, น, นผู้ที่หลีเกเล่นหลีเกเล่นก็คือหลีเกเล่นจากบาปอกุศลทุกชนิดไม่หลอกลวงด้วยปัจจัยเนี่ยนะด้วยการปฏิเสธปัจจัยไม่หลอกลวงด้วยอาศัยอิรยาบดไม่หลอกลวงด้วยการพูดเรียบเคียงคนที่มีคุณธรรมดีขนาดนี้ถามมันน่าเคารพสกสาระขนาดไหนใช่ไหมอย่างคุณธรรมที่กล่าวเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนี่ยนะพระองค์นี่มีคุณธรรมประเสริฐ ด, ดีสูงสุดแบบนั้นไม่ เป็นผู้หลีกเร้นคือละบาปอากุศลได้ทุกชนิดไม่หลอกลวงเลยนะไม่มีการหลอกลวงแบบปฏิเสธโดยการใช้คำเป็นต้นไม่มีตันหาเรียกว่าเปทะเยอทยานเนี่ยนะตันหาเนี่ยนะก็คือความกำหนัดอภิชาโลพอาอกุศลลมูลความทะเยอทยานนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาน บุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่เธอเยอทยานไม่อยากได้ไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะไม่ต้องการสกุลสกุลคือตระกูลอุปถากน์ะนะหมู่คณะอาวาสไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญความสุขทั่วไปไม่ต้องการจีวลบินธบตรเสนาสนะกีฬาณปัจัยเพศักบริขารไม่ต้องการตามัทธารูปทธาลารูปัทธา ไม่ต้องการกามาพบรูปประพบอารูปประพบไม่ต้องการสัญญาพบอสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพไม่ต้องการเอกโวการะพบจตุโวการะพบปัญจโวการะพไม่เพลิดเพลินไม่ต้องการอาดีตอานาคตปัจจุบันทั้งนั้นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบและทำอารมณ์ที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงไม่เถยอถยัดไม่ปรารถนาอารมณ์แม้แต่อารมณ์เดียวเนี่ยนะไม่ต้องการอารมณ์ที่หลายทั้งหลายที่เรารับรู้ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ต้องการ เพราะท่านเห็นภายในอารมณ์เหล่านั้นท่านคิดแล้วสิ้นตัณหาในอารมณ์นั้นเนี่ยนะ